ทำอะไรตอนแรกได้หลายอย่างแต่มีสองอย่างที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันก็คือหยิบนะกับวางหยิบกับวางนี่มันอาการมันตรงข้ามกันแต่สังเกตไหมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหยิบเท่าไหร่ คือไม่มีปัญหาว่าหยิบอะไรมาหรือว่าหยิบเมื่อไรหยิบที่ไหนไม่เหมือนเวลาวางนะเวลาวางาก็มีปัญหาเยอะ ว, ว่าวางกุญแจไว้ที่ไหนวางของวางกระเป๋าไว้ตรงไหนวางเมื่อไหร่คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาไอ้ตอนวาง ไอ้ตอนหยิบนี่โดยทั่วไปไม่เคยมีปัญหายกเว้นคนที่ประเภทมือเบาเชอบหยิบของคนอนื่นจนเคยตัวเงี้ก็อาจจะมีปัญหาอีกแบบหนึ่งเนี่ยหยิบของตามห้างตามร้านโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาหยิบเนี่ยไม่ค่อย ไม่เคยมีปัญหาเรื่องหยิบเพราะว่าตอนจะหยิบนี่ก็รู้ตัวรู้ว่าหรือมีเจตนาตั้งแต่แรก ว, ว่าจะหยิบอะไรแล้วตอนหยิบก็รู้ตัวหยิบอะไรก็ตอบได้หยิบเมื่อไหร่นะก็รู้หยิบจากไหนหยิบที่ไหนนี่ก็ประมักจะรู้ไม่เคยมีปัญหาว่าอไอ้ของชิ้นนี้หยิบมาเมื่อไหร่นะ หยิบที่ไหนนะไม่ค่อยมีปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยคือว่าวางนี่นะวางกระเป๋าวางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนนึกไม่ออกวางเมื่อไหร่ยังพอจะเดาได้แต่วางไว้ที่ไหนวางไว้ที่ครัวที่กุฏิหรือว่าแมแต่ในครัวก็ยังไม่นึกไม่ออกวางไว้ตรงไหน สุกไว้ตรงไหนเ แ, แล้วก็ตามหากันให้พลานบังทีก็ไปโทษกับคนนั่นเราไปคนนี้ยราไปดูดีๆเอามาเจอวางผิดเองวางไม่เป็นที่มีปัญหาส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นตอนวางเนี่ยไอ้ตอนหยิบนี่ไม่มีปัญหาพออรารงาวพอตอนหยิบนี่เรา เรารู้ตัวเรารู้ตัวไอ้ตอนวางนี่มันไม่รู้มันหลงมันลืมตัวความเร่งรีบความเคยชินตอนหยิบเนี่ย จ, จะคิดนะว่าเออจะหยิบอะไรแต่พอวางนี่บางทีไม่ต้องคิดเนะี่ยมัน ส่วนใหญ่เป็นาความเคยชินไม่ความเคยชินกับความหลงนี่มันเป็นเพื่อนกันก น, นะความหลงความไม่รู้ตัวเน้นถ้าอย่างที่เมื่อวานนี้พูดนะว่าชีวิตนะคนเราคือการต่อสู้กันระหว่างรู้กับหลงอชีวิตที่เจริญงอกงามคือชีวิตที่มันรู้มากกว่าหลง หรือให้เผยปล่อยให้หลวงนี่เข้ามาเข้ามงำงใจาการปฏิบัติธรรมก็ยิ่งชัดใหญ่เลยนะว่ามันก็คือเป็นการต่อสู้ขยายพรมแดนขอ ง, ของรู้ให้มันครอบคลุมทั่วทั้งใจไม่ปล่อยให้ความหลวงมันมีที่ตั้งหรือสุกซ่อน ความรู้เนี่ยมันเหมือนกับแสงสว่างหลงก็เหมือนความมืดจิตใจของพระอรหันต์หรือจิตเจ้าพุทธเจ้าก็เปรียนได้มอนกบห้องที่สว่างสวยไปหมดไม่มีความมืดหลงเหลืออยู่เพราะว่าแสงไยมันในห้องนั้นสว่างจ้า แต่จิตของคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคล้ายกับสาลานี้เยนะก็คือว่ามันมีแสงสว่างลางๆเรือนๆนะมันมีหลายมุมนะที่เป็นความมืดเพราะว่าต้นอที่มาองแสงสว่างก็เป็นแค่เทียนแต่ก่งดีนะเป็นเทียนพรรษานะถ้าเป็นเทียนแท่งเนีย มันก็จะมืดมากกว่าสว่างนะในการปฏิบัติธรรมก็คือการเพิ่มความสว่างนะเพิ่มให้มันสว่างสว่างสว่างอนู่ทั่งมันสว่างไปทั้งสารานะไม่มีความมืดสุกซ่อนอยู่นะอันนี้ทางขณะ น, นี้หานนั้นก็เรียกว่าเป็นพระอริยใจยพระอรหันต์นะ ไม่มีไม่มีที่ทางให้กับสิ่งที่เรียกว่าจิตไร้สานึกนะจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะไม่มีคนธรรมดานี่จิตไร้สำนึกนี่นะมันก็เข้ามาวิทิพ์ในจิตใจเรามากโดยไม่รู้ตัวโผมาในในความฝันหรือว่ากำกับการดาเนินชีวิตของเรา อย่างบางคนก็กลัวนั่นกลัวนี่โดยที่ไม่รู้สาเหตุนะมีบางคนอายุยี่สุดกว่าไปกินอาหารที่พัตคาลที่ร้านแล้วก็ก็คงเป็นสวนอาหารนันนะกินเสร็จก็ไปเข้าห้องน้ำไปเจอหมาตัวหนึ่งหมาหมาดำกลัวกลัวจนช็อกไปเลยนะ ชอบเป็นลมไปเลยเพื่อนเห็นหายไปนานเอตใจก็เลยไปตามเห็นเป็นลมอยู่ที่หน้าห้องน้ำเจ้าตัวนี้ก็พอฟื้นขึ้นมาก็งงนะทาไมกลัวทาไมกลัวหมามากจนถึงเป็นลมอธิบายไม่ได้ก็ติดค้างอยู่นานนะจนกรทั่งวันหนึ่งก็ กลับไปบ้านแล้วก็เล่าให้เล่า ใ, ให้พ่อแม่ฟังแล้วก็พูดวันนี้ไม่รู้ทําไมมันกลัวหมาตัวนั้นมากนะพ่อแม่ก็เลยไลยฟังเอาจําไม่ได้ตอนหกขวบเนี่ยเคยโดนหมากัดเนี่ยช็อกไปเลยแนละ้วน่าจําไม่ได้นะพ่อแม่ก็เล่าใฟังบอกว่า สรุปก็คือว่าเคยโดนนะเคยตอนเด็กเด่ น, นี่เคยโดนหมากัดแล้วก็ตกใจมากตกใจอย่างแรงแก็เจ็บด้วยนะแต่ว่าตัวเองนี้ทั้งที่เหตุการณ์สำคัญเองลืมไปเลยนะลืมไปเพราะจิตไร้สนุกไปกดเอาไว้เพราะว่าเป็นความเจ็บปวดที่ที่มันทนทานได้ยากสําหรับเด็กก็เลยนึกทีไรก็ กลัวนึกถ้็แล้วก็เจ็บมันก็เลยกดเอาไว้จนลืมไปเลยนะว่าเคยโดนหมากัดแตพ่พอเจอหมาดำก็หมาด บ, บเลยที่เคยกัดในไว้เด็กมันจู่ๆมันก็แสดงาาการออกมานะเจ้าตัวไม่รู้นะแต่มันอยู่นะมันมีอยู่อจิตไร้สำนึกเนี่ยเป็นมุมมืดของจิตนะซึ่งแต่ละคนมีทั้งนั้น เราก็ไม่รู้ด้วยมันมีอันนี้เรามุมมืดเนะี่ยเหมือนกับห้องที่มันมีมุมมืดอยู่อัจิรสะสม น, นี้ก็เป็นความหลงแบบหนึ่งนะการปฏิบัติธรรมคือการทำให้ความรู้หรือว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมหรือว่าตัวรู้นี่มันสว่างมีจนกระทั่งรู้ทั่วถึง รู้ทั่วถึงจิตใจไม่มีมุมมืดไม่มีตัวหลงนะหลงเหลืออยูนะ่อันนี้เราจะไม่ไม่ได้คาดหวังไปถึงขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าก็คงจะเห็นในว่าในชีวิตประจำวันไอ้ตัวหลงนี่มันทำให้ทุกข์มากนะทุกข์มาก ควอพอจิตไปหลงยึดติดกับอดีตไม่ปล่อยไม่วางไปกังวลกับนาคที่ยังมาไม่ถึงแล้วไม่ปล่อยไม่วางนี่ถ้าเราจะจะพยายามเพิ่มรู้เพิ่มรู้ให้มากขึ้นแล้วก็หลงให้น้อยลงเนี่บางทีอาจจะเริ่มต้น ง, ง่ายๆนะจากการที่นเวลาเราจะ เวลาเราจะวางอะไรเนี่ยไม่ว่าจะวางของวางกระเป๋าอะไรเนี่ยวางผ้าก็พยายามทำอย่างมีสติให้รู้ตัวก่อนจะวางก็กําหนดสักหน่อยนะเออนี่ฉันวางไว้ตรงนี้นะมันจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าวันวันนึงนี้เรานี่วางของไม่รู้กี่อย่างไม่ไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยลองนับดูว่าเราวางของอะไรบ้างวางแก้วนะวางบาท วางช้อนวางจีวรวางนาฬิกาวางปักวกปักกาวางแว่นตาวันหนึ่งนี่วางนี่เป็นเป็นร้อยร้อยครั้งได้นะถ้าวางแต่ละครั้งนี่เราวางด้วยความรู้ตัวนะไอตัวรู้นี่มันจะเพิ่มขึ้นมา วันละหลายร้อยครั้งเลยให้ตอนหยิบไม่เป็นปัญหานะส่วนใหญ่เราหยิบด้วยความรู้ตัวไปแล้วไม่มีเหตุก็ไม่ไม่หยิบนะไม่ใช่ประเภอหยิบหยิบแบบไม่รู้เนืรู้ตัวอันนี้ก็มีบ้างอาจจะอาจจะน้อยหยิบตามความเคยชินในส่วนใหญ่แล้วหยิบด้วยความรู้ตัวตอนหยิบปรู้แนตะ่ตอนวางกนะับหลงมากการปฏิบัติเนี่ยนอกจา ก, การปฏิบัติในรูปแบบนะ เราก็จะปฏิบัติจากการเนี่ยเริ่มมีสติการวางของแล้วจะพบเลยว่าปัญหาจุกจิกในชีวิตประจําวันมันน้อยลงเชนหาของไม่เจออย่าเงี้ยหาของไม่เจอของมันหายไปไหนเสร็จแล้วก็ไปโทษว่วคนเมืองคนนี้เอาไปเพราะความดีไม่เคยไปตัวเองหลงตัวเองลืมเองไอตอนวางมันวางด้วยความหลง ไม่รู้ตัวตอนวางนิใจมันคิดโน่นคิดนี่หรือว่าต้องรีบหยิบอย่างอื่นแทนนะไอความที่อยากต้องรีบไปหยิบอย่างอื่นแทนก็ต้องวางก่อนใจมันไปสนใจเรื่องที่จะหยิบนะมันลืมนะมันละเลยของที่จะวางนะก็วางวางแผงไปแล้วก็รีบไปหยิบ บางทีไอ้ที่ไปหยิบนี่ก็อยู่ไกลนะ5้าหกเมตรสิบเมตรยี่สิบเมตรอ่ะไปหยิบมาแต่ละพอจะหาของนั้นก็นึกไม่ดึงไ ม, นงไม่นึงไม่ออกว่าวางไว้ทิ่ไหนชีวิตของเราประจำวันก็มันก็วนเวียนอยอะ ไ, ไอ้ปัญหาพวกแบบนี้แหละหรือบางทีก็หนักนะหาคุณจารดถไม่เจ อ, อนี้ หาก่าได้พลานกระเป๋าวางไว้ที่ไหนมันตัวหลงแท้ๆนะลองสังเกตดูนะมันก็แปลกนะตอนหยิบไม่มีปัญหามันปัญหาตอนวางที่จริงนี่เรื่องวางเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าไอความทุกข์คนเราเนี่ยมันก็เกิดจากการวางนะการไม่รู้จักวาง ที่เมื่อกี้พูดก็พูดว่าพูดในง่ายก็เป็นเรื่องการวางไม่เป็นที่วางโดยไม่รู้ตัวแต่ปัญหาหนักกว่านั้นคือมันไม่ยอมวางไม่ยอมปล่อยมันแบกเอาไว้อันนี้เป็นปัญหาตั้งแต่ตอนแบกแล้วหรือว่าไปยึดเนี่ยเรื่องราวในอดีตเนี่ยมันก็ผ่านไปแล้วก็ยังไปยึดไปแบกเอาไว้ ถ้ายึดแบกแล้วก็รู้จักวางรู้จักปล่อยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมวางลองนึกดูในะชื่อของคนเรานี่ความทุกข์ทรมายเนี่ยมันล้วนเกิดจากเรื่องการที่มันไม่รู้จักวางแบกไว้ตลอดเวลาเช่นปัญหาปัญหาต่างๆคุณนคิดถึงปัญหาแล้วก็ ไม่รู้จักวางเวลากินก็ยังแบกเอาไว้เวลาจะนอนก็ยังแบกเอาไว้อยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่อยู่กับเพื่อนก็ยังแบกเอาไว้ใจนี้ไม่เต็มร้อยเลยเนะียเวลาอยู่กับผู้คนเพราะมันแบกเอาไว้เพียงแค่รู้จักวางเท่านั้นแหละนะมันก็จะสบายมีเศรษฐีคนหนึ่งกประมาณประมาณสักเจดสิบ 70, นะ แกก็รายได้หนึ่งก็มาจากการการให้กู้นะเก็บดอกเบีย้ยแล้วเบีย้ยก็แพงแล้วก็ชาวบ้านหลายคนก็ไม่มีเงินจ่ายเมื่อทั้องดอกเบีย้ยนะก็ต้องถูกยึดนะอาจจะเป็นโฉนดจะเป็นที่ดินนะในต่างจังหวัดนะ หลายคนก็สูญเสียที่ดินไปจากการที่เป็นหนี้แล้วจ่ายไม่ไหวเพราะดอกเบี้ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆแกก็ได้เงินมาเยอะนะเราก็ได้พวกมีที่ดินไม่เยอะแต่ก็มีความทุกข์นะมีความทุกข์ทุกเพราะว่าคนโน้นก็ยังไม่จ่ายนะคนนี้ก็ยังค้างเงินมา มีหลายคนนะที่ติดหนี้กันเยอะมากนี่แกก็เครียดความเครียดส่วนหนึ่งนะไอ้เรื่องเครียดที่คนจ่ายหนี้ไม่ได้นี่ไม่ยังไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าจ่ายไม่ไม่จ่ายก็ยึดยึดที่ก็ได้กําไรคุ้มค่านะแต่ว่าเครียดเพราะว่าผู้คนนะ่ะเกียรชังนะเป็นที่เกียรติชังของผู้คนใน ในตำบลนะทั้งตลาดเลยก็ว่าได้วันหนึ่งเพื่อนก็ได้ข่าวก็เป็นห่วงก็เลยมาเยี่ยมเพื่อนก็อยู่ัยเดียวกันแล้ะอายุมากมาก็เป็นที่นับถือของไอ้เศรษฐีในทุนเงินกู้นั้นนะแต่ว่าก่อนที่จะก่อนที่จะพอเจอกันก็แกก็บอกว่าเนี่ย หยิบเอาถือก้อนหินก้อนนี้ห้หน่อยแกติดเอาก้อนหินถือมาติดมือมาด้วยก้อนหินก้อนใหญ่นะก็พอดีกับมือนะเอาถือให้หน่อยนะแกไอพ่อในายนุนเงินกุ้นนั้นก็ถือเอาไว้จับไว้แล้วก็สนทนากันอสบถามคุยคุยกันอยู่พักใหญ่นะนายถึงก็บอกว่าอหินที่มันหนัก เพื่อนก็เลยบอกอ้านักก็วางสิแกก็วางวางแล้วแกก็ถามเป็นไงเออสบายเพื่อนก็เลยบอกว่านี่เออให้รู้จักวางบ้างนะไอ้ที่ทุกเนี่ยนะเพราะายังไม่รู้จักวางเพื่อนกสงสัยอะไรเอไม่วางอะไรก็เพื่อนก็เลยบอกเนี่ไอ้เรื่องนี่สินอะไรต่างนี่ไงี ใครไม้ใครคนจนี่ไม่มีเงินจ่ายนี่ก็อย่าไปกังวลมากนะที่จริงน่าจะน่าจะน่าจะปล่อยปล่อยไปนะพวกเหล่านี้ใครใจนี่ไม่ได้ก็อย่าไปสนใจนะชั่งเข้าไปเรื่องนี่ก็ไปซะยวก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะ แกก็เลยคิดเลยกก็แล้ววันต่อมาแกก็ไปเรียกนะโรกเรียกลูกนีนะ้ที่อย่างค้างชําระบอกว่าก็ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องจ่ายแล้วนะถือว่าที่ที่ได้มาก็พอสมควรแล้วแกก็ปล่อยนะปล่อยปล่อยลูกนี้ไปที่เราคนที่เราคนที่เราคนพอปิอเสร็จแกก็สสบายใจนะ มันหมดกังวลแล้วแต่ก่อนมันคิดแต่ว่ามันมันจะจ่ายหรือเปล่าจะจ่ายเมื่อไหรน่นยพอปล่อยแล้วมันสบายนะเรื่องราวข่าวนี้ก็เป็นที่รับรู้ของผู้คนผู้คนก็เริ่มนะเริ่มชื่นชมเนะสรรเสริญในทุนคนนี้แล้ตอนหลังแกก็ปล่อยไปแล้วนะั่นนี่งานของกแกก็ไม่เอาแล้วไอ แม้กระทั่งที่ดินในแรต่างๆั่นที่ไปยึดเข้ามาแกก็เริ่มปล่อยไปแล้วแกก็มีความสุขมากขึ้นก็ไม่รู้ปล่อยเท่าปล่อยขนาดนะคงยังไม่ปล่อยมากนะแต่ว่าก็ก็เรียกว่าแกก็มีความสุขนะเพราะว่าคนก็ชื่นชมสารเสริญแกก็เอาว่าแก่คนใจบุญที่เคยเกลียดชังแกดินทาว่าไรแกก็มันก็หมดไปแล้วแกก็สู้ การปล่อยเนี่ยสบายนะมีปัญหาของคนเราเนี่อยู่ที่ว่ามันไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางนะไม่ใช่แค่วางไม่เป็นที่โดยที่ไม่รู้ตัวนะแต่ว่ามันไม่มันไม่ยอมวางไปได้ซ้ำแต่จริงมันไม่ใช่แค่ถึงไม้พวกเราไม่ใช่ในทุนเงียนกู้นะแต่ว่ามันก็มีอะไรที่ต้องที่ยังยึดเอาไว้อยู่มากไม่ยอมปล่อยอย่างต่ำๆก็ความรู้สึกเจ็บแค้นพยาบาท คิดแค้นผู้คนนะถ้าคนที่เจ็บแค้นก็อาจจะไม่ใช่ใครคนใกล้ตัวบางทีอเป็นพ่อแม่เพื่อนที่ทคบกันมาตั้งแต่เล็กใกล้ชิด ก, กันนอกจากความเจ็บแค้นแล้วจะเป็นความเศร้าความเสียใจความอาลัยในเหตุการณ์ในสิ่งของ มันแบกไว้ทั้งนั้นแหละที่ทุกวไวเพราะแบกนะแล้วแค่ปล่อยมันก็สบายแล้วที่ที่ยึดเอาไว้อย่างที่ไม่ค่อยวางนะไม่ค่อยปล่อยคือในความกังวลวิตกเนะสิ่งที่ยังมาไม่ถึงภาระที่ยังคาอยู่นะถ้าเราวางไว้บ้างนะอาจจะไม่ถึงกับปล่อยไปทั้งหมดนะ รู้จักวางบ้างนะวางไม่ใช่วางด้วยมือนะแต่วางวางที่ใจก็จะช่วยได้เยอะการจุลสติน่นก็คือการที่เราเรียนรู้การปล่อยการวางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกให้ที่แต่ ปัญหามก็เริ่มต้นแต่ก่อนตอนที่ไปไปหยิบแล้วไปยึดแล้วไปแบกเวล า, เาหยิบของเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะแต่ว่าในใจเราเนี่ยมันก็มีปัญหาตรงที่ไปชอบแบกอะไรต่ออะไรมากมายที่จริงปัญเรื่องการวางนี่มันไม่เป็นปัญหาเลยถ้าไม่ไปแบอกไว้ตั้งแต่แรกแต่พอแบกแล้วเนี่ย มันก็ต้องยิ่งต้องรู้จักวางหลายคนเนี่ยเหมือนกับคนที่แบกก้อนหินเอาไว้ทั้งที่รู้ว่ามันหนักก็ไม่ยอมปล่อยเสร็จแล้วไปโทษก้อนหินว่าก้อนหินมันหนักก้อนหินมันหนักมันหนักอย่างนี้วะไปโทษก้อนหินแต่ว่าไม่ได้เฉลียวใจมองว่าแล้วกูแบกมันทำไม ในเมื่อบันหนาวทําทไมแบกเอาไว้แล้วคนได้แต่ ก, กุมใจปัญหามันเยอะเหลือเกินปัญหามันเยอะมากมีปัญหาเต็มไปหมดก็ไปโทษปัญหาแต่ไม่ได้มองว่าเราไปแบกปัญหาทําไมปัญหาไม่ได้ทำให้ทุกข์นะแต่ที่ทุกข์เพราะไปแบกปัญหาเอาไว้เพราะนั้นเนี่ยมันแต่เมื่อแบกไปแล้วก็ก็ กดใจโดยดูยก็รู้จักวางแต่แล้วก็ไม่ยอมวางอีกนะอันนี้เรือสองต่อยนะคือไปแบกด้วยความหลงแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้มันแยกอย่างมือนะมือเรานี่เวลาหยิบของอะไรเนี่ยมันหยิบด้วยความรู้ตัวมันมีเป้าหมายแต่ใจเรานี่มันไปแบกมาไปยึด โดยที่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยบ่อยมากเลยแต่ว่าผิดไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ถูกได้โดยการวางแต่ส่วนใหญ่ก็ผิดซ้ำสองก็คือไม่วางอีกเผลอแบบนะแล้วก็ไม่ยอมวางอันนี้แหละมันถ้าดูไปนะมันก็เป็นเรื่องความหลงแท้ ไอ้ที่ไปแบบไปยึดเอาไว้ก็เพราะหลงนะลืมตัวก็เหมือนกับที่เคยพูดถึงคนที่หนีไฟนะไฟไหม้บ้านตกใจมากมีของอะไรใกล้ตัวก็รีบขนรีบแบกเห็นโอกใกล้ตัวก็รีบขนโอ่งนะวิ่งหนีบางทีก็ตู้เย็นนะ เป็นตู้เย็นอยู่ใกล้ตัวก็แบบตู้เย็นวิ่งมปเลยทั้งที่ตู้เย็นก็หนักนะแล้วก็มีของมีค่าอย่อ่ที่มันมีค่ากับตู้เย็นเยอะแต่ความตกใจเนะี่ยมันก็เลยแบกบอันนี้เราแบบด้วยความหลงแล้วมันก็หนักนะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยเพราะตอนนั้นไม่รู้ตัวแต่อย่างดีนะพอ พอไกลาจากอันตรายแล้วพอปลอดภายแล้วเออถึงค่อยรู้ว่าเฮ้ยเราแบกตู้เย็นมันหนักก็วางอันนี้ก็อย่างดีนะที่ยังรู้จักวางเนะยแต่ส่วนใหญ่นี่เราไม่ได้แบกตู้เย็นเราแบกสิ่งที่มันเป็นนา ม, มาธรรมนา ม, มาธรรมบางทีมันหนักยิ่งกว่าลูปประทามอีกนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าแบกมันก็เลยทุกข์นั้นถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่มันวางเลย ก็ลองสำรวจใจเรานะว่ามันแบกอะไรไปบ้างที่จริงแบกเยอะเลยนะแบกไปยึดเอาร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรานะไปยึดอะไรตอนอะไรเป็นเราเป็นของเราเยอะนะมันไม่ใช่ยึดเฉพาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ให้ความสุขนะสิ่งที่ให้ความทุกข์ก็ยึดก็แบกเอาไวนะ้ความเศร้า ความเสียใจความแค้นไอ้พวกนี้นี่แบกทั้งนั้นและมันให้ความทุกข์มันเผาลนใจแ้วก็ยังแบกก็ยังไปไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางอันนี้ก็เพราะความหลงนั้นลองพิจารณาโดยช่วยของเราเนี่ยนะไอ้ที่ทุกทุกนี่เพราะหลงทั้งนั้นแล้วต่อเมื่อหายหลงเนี่ยมันถึงจะหายทุกข์ บางอย่างก็ไปยึดเพราะความไม่รู้ตัวบางอย่างยึดก็เพราะหลงคิดว่ามันจะเป็นของดีของวิเศษหรือให้ความสุขกับเราไอ้ทรัพสมบัติต่างๆเนี่ยชื่อเสียงเปี้ยดนะรวมทั้งหน้าตานี่มันก็ยึดเพราะไปคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงนะแต่จริงมันทุกข์ทั้งนั้นเลยนะ มันเหมือนกับเหมือนกับฐานนะฐานก็อนแดงๆที่ไปหลงคิดว่ามันเป็นเป็นทองเนี่ยอันนี้เรียกว่าเห็นกรงจับเป็นดอกบัวได้เหมือนกันนะก็เป็นความหลงชนิดหนึ่งนะคือหลงผิดนะหลงเชื่อเป็นของดีหลง ม, มีหลายแบบ น, นะหลงคือไม่รู้ตัว กับหลงผิดนะหลงไม่รู้ตัวนี่บางทีเรกาก็จะหลงลืมนะอันนี้คือไม่มไม่มีสติตสัมปชัญญะตัวหลงผิดเนี่ยมันคืออวิชชาเนะชิงเราของคนล่มจเจริญกาวหน้าได้คือการลบนะการต่อสู้กับความหลงลืมกับความหลงผิดนะแต่ไม่ต้องต่อสู้โดยตรงนะอย่างที่บอกเมื่อวานคือต้องสร้างความรู้ตัวหรือ ความรู้ที่เป็นวิชาให้มากขึ้นที่เป็นปัญญาให้มากขึ้นสติสัมปชัญญะนี่มันช่วยลบจัดการกับความหลงลืมได้ส่วนปัญญาหรือวิชานี่มันช่วยขับไล่อวิชากไปเราไม่ต้องดับความมืดแล้วเราเพงแต่จุดไฟให้แสงสว่างเท่านั้นเองจะไปสู้กับความมืดนี้สู้โดยตรงนี่มันมันก็โง่นะ อย่างที่เราทําได้ดีกว่านั้นคือจุดไฟเปิดไฟแสงสว่างก็จะทํหนาที่ไล่ความมืดไปเมื่อความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านไปกดข่มมันมันก็หรือความเศร้าไปกดข่มมันก็ไม่ได้นะอันนี้สู้ผิดทางนะเราเพีงเยงแต่เติมสติหรือความรู้ตัวเนี่ยพอ ม, มีสติความรู้ตัวความฟุ้งซ่านความกลัวก็หายไปเมื่อเราไปกดข่มมัน ไม่ต้องไปทะเลาะเบกแววงกับมันเพียงแค่ให้มีสติเติมสติลงไปเติมความรู้สึกตัวทั่วพว้องไปมันก็หายไปเองนะให้ให้ฉลาดใ น, นในการรับมือแบบสิ่งเหล่านี้